book two <ก> อ, อ่านอาและเขียนจดบด์มาริโอไรด์ด ม, ด, มดิฉันอ่านเนนูชจดบันทาดิฉันอ่านจดหมาย เนนูว่าการ์ก์ษร์มฉาดดูตานุิฉันอ่านคาศัพท์เนนูว่าการ์พัดานิฉาดดูตานุดิฉันอ่านประโยคเนนูว่าการ์วาคยานิฉาดดูตานุดิฉันอ่านจดหมายเนนู ite, ว่าการ์เลขานิฉาดดูตานดิฉันอ่านหนังสือ เนนูว่ากับหนังสือกันยังไงจะดูท่ิฉันอ่านเนนูจะดูบุท่าคุณอ่านนุวูจะดูบุเขาอ่านอัตโนะจะดูบุทารุดิฉันเขียนเนนูรักษาท่านน ดิฉันเขียนจดหมายนิโนะโมกะเชดนนิราสตานุดิฉันเข <origine. S 1> ียนคำศัพท์นิโนะกะปะดานิราสตานุดิฉันเขียนประโยคนิโนะกะวาีนราสตานุดิฉันเขียนจดหมายนิโนะกะบุตรานิราสตานุ ดิฉันเขียนหนังสือเนโนกัปุสตะการน้ราสตานุดิฉันเขียนเนโราสตานุคุณเขียนนนวูไรเขาเขียนอัตโนราสตานุ